เจริญสุขท่านผู้ฟังผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสุสันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อัตมภาพก็จะได้นำเสนอธรรมะบรรยายของ พระอาจารย์มหานพทพนเศรฐธรรมโมเปรเรียนธรรม9้าประโยคจากวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพซึ่งบรรยายค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายที่พระอาจารย์ท่านเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เห็นถึงความสำคัญของธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายคราวที่แล้วท่านได้พูดถึง การบรรลุหรือการเข้าถึงธรรมะตามแนววิชาธรรมกายนั้นมีเป็นชั้นเป็นชั้นเข้าไปคือในระดับเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงท่านกำลังพูดถึงการทำใจให้ตกศูนย์หรือทำใจให้หยุดนิ่งถูก10ถูก0 ถ, ถูกส่วนซึ่งวันนี้อาตมาก็จะได้นำธรรมะนั้นมาสู่ท่านสาธุชนอีก จึงขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังความรู้ในเรื่องวิชาธรรมกายกับพระอาจารย์มหานาถพลเศรษฐธรรมโมป ร, ริยนธรรม9ประโยคพร้อมกันวัดหยุดที่นิ่งที่ศูนย์กลางกายพอหยุดนิ่งใจไม่ปรุงแต่งนะครับต้องสําคัญใจไม่ปรุงแต่งถ้าใจยังปรุงแต่งคิดโน่นคิดนี่บางคนบอกว่าวาดมนโนภาพเอาน่าซี่มันก็เป็นอ่าซี่ต้องหยุดวาดมนโนภาพครับใจต้องหยุดถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วนครับ เคยได้ยินไหมครับหยุดต้องหยุด ถ, 10, ถูกสิบถูกศูนย์ถูกส่วนสิบศูนย์คืออะไรหยุดหยุดนิ่งพอนิ่งแล้วจุดเล็กใส่ขยายออกนั่นเข้าสิบแล้วครับพอเห็นดวงสว่างขึ้นมาแล้วเห็นศูนนี่ครับเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์หลวงปู่วัดกลางนั้นจึงเอาคํานี้มาพูดบ่อยๆว่ า, วาเห็นสิบแล้วเห็นศูนย์เป็นเข้ามูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้ง อ, อนิจจาเป็นอาจิน จดจุติแล้วปฏิสนย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิน้นสังขาราไม่ยืนยินราคีสิ้นเป็นตัวมาครับตรงนี้ครับเป็นที่ตั้งของกำเนิดท่าทําเดิมเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นด้วยนี่รายละเอียดครับเดี๋ยวไปศึกษากันเอาเองหยุดตรงนั้นได้นะครับถ้าจิตคนก่อนจะออกจากร่างการละเอียดก็ออกจากร่างจิตมันตกศูนย์แล้วค่อยออกไปครับเวลาคนจะนอนหลับนี่จิตพอเคลิ้มๆ เ, เ, เห็นไหมครับเวลาคนเ ค, เ ค, เคล้มๆตาจะหลบเรืเรือบเรือรือบเรือ จิตมันจะลงศูนย์ครับพอตกศูนย์ปักเข้าพกไปเลยครับหลับเลยครับจะตื่นจิต ด, ดวงนั้นก็ตกลงไปตรงนั้นตื่นขึ้นมาหลวงพ่อวัดวังน้ำบอกว่าแม้แต่จะเข้านิพพานก็ต้องเข้ากลางของกลางตรงนั้นจึงจะเห็นดวงกลางดวงก็เห็นกายจากกายก็ถึงธรรมกายจากธรรมกายธรรมกายละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งว่าตกศูนย์ตกศูนย์อีกทีหนึง่งปรากฏว่าเห็นพระนิพพานครับเต็มไปหมดเป็นอาเจนะเป็นที่สถิตของพระนิพพานผู้ที่บรรลุพระมหัธรรมน เต็มไปหมดครับวิธีปฏิบัติตรงจุดศูนย์กลางกายไม่มีในคัมภีร์เลยครับแต่ว่าพระนิพพานพระพุทธเจ้าเขาว่าไว้แล้วครับพระนิพพานศูนย์แล้วไม่ศูนย์อัตถิพิคเวตธายตนานดูก่อนพิกูนต์ตั้งหลายอาเยตนะนั้นมีอยู่แต่ที่ดินน้ําไฟลมไม่มีเลยดวงทิศดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ทั้งสงดวงจันทร์ก็ไม่ใช่โลกนี้ก็ไม่ใช่โลกอื่นไม่ใช่หมายถึง ว, ว่าพบในพบสามนี้ส า, นสามเจ็ดภูมินี้ไม่ใช่ครับ แล้วมีอยู่อยู่ตรงไหนครับในคัมภีร์ไม่มีบอกละเอียดพระพุทธเจ้าตัดไปแล้วมีพระมรรกมีไหมที่หลวงพ่อวัดปวงน้ำเห็นมีครับมีไว้ในคัมภีร์หมดเลยครับสวรรค์หกชั้นมีพิสูจนได้ตรงไหนครับทํำมาจากกระบวนการสูตรปฐมเทศนากันแรกเลยครับนี่ถ้าใครบอกว่าภพภูมิต่างๆเริ่มพรหมเป็นเรื่องของพรามของอะไรนอกาศาสนาต้องประท้วงครับ ประท้วงตีว่าถ้าเรื่องของนอกศาสนาเอาไว้ในปฐมเทศนาทําไมครับปฐมเทศนาหลังจากที่พระเจ้าเทศสตมัชิมาปฏิปทาเสร็จแล้วครับว่ายังไงครับภูมินางเทวานางสัตว์ทางสุตว่าจารุมหาราชิกาเทวสัตวธรมนุษสาเวสุงตาวสิงตาวติงสาเทวสัตวธรมนุษสาเวสุงไล่ไปจนถึงพรมโลกสิบกชั้นนะครับวัด เทพดาที่อยู่ชั้นจาตุมได้ฟังเทพของพระพุทธเจ้าแล้วสาทุกการได้ยินขึ้นไปถึงชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงได้ยินเทพชั้นจาตุมสาธุการรู้เข้าว่าเขาโมทนาบุญกุศลพระพุทธเจ้าสาธุการได้ยินดังเกิดก้องขึ้นไปถึงชั้นยามาชั้นยามาดังเกิดกงขึ้นไปถึงชั้นดุสิตชั้นดุสิตขึ้นไปถึงชั้นนิมมาชั้นนิมาถึงประณีมชั้นประณีมพรมก็ได้ยินแต่เป็นพรมที่ไม่ใช่พรมพรมลูกฟักนะครับพรมลูกฟักนั้นมีมันดับหมดเลยแต่ยังมีอยู่อันนนั้ก็ไไม่ดยิะครบ นี่ครเป็นทอดทอดทอกันอย่างนั้นมีอยู่ในธรรมจักรปวัตินละสวดพระคุณท่านทั้งหลายเคยสวดครับญาติโยมบางท่านก็เคยสวดถ้าไม่ใช่พุทธศัพท์คำพีพุทธศาสนาพระเถระเก่าๆของเราซึ่งเป็นร้วนเป็นพระอาหันตึ่งสืบอายุพุทศาสนามาสังขายนากันมานะครับเอาไว้ทําไมครับท่านเป็นคนโง่อย่างนั้นหรือท่านบรรลุอรหันต์นะครับท่านโง่ได้ยังไงแสดงว่ามันต้องมีอยู่จริงมีอยู่จริงแล้วเห็นได้ยังไงหลวงพ่อพระบังหน้าไปเห็นเข้าร่วงพรมของ เรื่องไปเห็นพรมไปเห็นเทวโลกเห็นอะไรเข้าหาว่าหลวงพ่อวัดปางน้าสอนเลอะเลือนอย่างนั้นเด้อมันเป็นของจริงที่พระเจ้าสอนอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเราเห็นได้ด้วยเห็นได้ในะปัจจุบันนี้แต่ต้องเข้าจุดกลางของกลางและนรกจี่ขุมจี่ขุมก็เห็นการละลึกชาติได้ตามอย่างที่พทะเจ้าท่านพระองค์ท่านก่อนจะบรรลุพระนิพพานใช่ไหมครับละลึกปู่เพนิวา ส, า, สานุสติยานละลึกว่าเออเคยเกิดเป็นอะไรอไรเวศสันดรก็คือพระองค์ท่านในชาติอดีต จากเวทสันตอนเป็นใครเป็นใครเป็นใครถอยกลับไปครับนั่นบุพเพนิวารสานุสติยานต่อมาปุถุภัตยานที่พระจักขุกเกิดขึ้นเห็นคนไปเกิดสัตว์โลกไปเกิดมาเกิดเพราะทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างทํากรรมชั่วตกต่ําทํากรรมดีขึ้นที่สูงขึ้นสวรรค์ครับถึงพรห ม, มโลกเพราะกรรมยานสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคืออาสวัคข ย, ยานชําระกิเลสอ๋อคนตามกรรมชั่วมันเพราะกิเลสกิเลสมันมีมันยิงทําชั่วครับ วัดปากง่ามที่สอนระลึกชาติสอนวัดดูนรกได้ดูสวรรค์ได้แม้แต่ญาติตายไปแล้วก็ดูได้มันผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงไหนครับผมนี่ภูมิใจว่าวิชาธรรมกายนี่แหละที่มาทําให้พระพุทธศาสนาชัดเจนครับชัดเจนตรงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพรหมโลกมีสวรรค์มีโลกมีมันอยู่ตรงไหนวัดปากนา้ํำสิครับเห็นเห็นชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนด้วยครับต้องรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกลางของการถูกส่วน เลิกปรุงแต่งความคิดคำนึงเรื่องนึกเดาอะไรต่างๆไม่มีต้องหยุดถูกสิบถูกศูนถูกส่วนเห็นแหละครับแล้วไม่ใช่เห็นเฉพาะชาวพุทธเราที่มั น, นับถือพระพุทธเจ้าฝารั่งที่ไหนมาถ้าใจหยุดนิ่งถูกสิบถูกศูนย์เห็นเหมือนกันครับมันเป็นอย่างนั้นของจริงในพระาศาสนาครับแล้วเราบอกว่าติดนิมิตตดอะไรแน่นอนละครับแรกๆมันเป็นนิมิตครับต้องกําหนดดวงแต่ข้อกลางของกลางแล้วพอถึงธรรมกายแล้วตามันสว่างยานของธรรมกายเป็นเห็นทั้งรู้และทั้งเห็นครับ แล้วพระนิพพานไม่สูญ น, นะครับมันตรงกับใครครับพระยะมกที่กล่าวอ้างตัวเองว่าได้บรรลุธรรมแล้วบอกว่าผมรู้ทั่วถึงธรรมของพรธเจ้าแล้วพระอระหันต์ทั้งหลายเมื่อ น, นิพพานแล้วสูญไม่มีอะไรเลยจนพระทั้งหลายกล่าวทักทวงท่านก็ไม่ยอมจนต้องนิมนต์พระสารีบุตรมาช่วยสั่งสอนนี่ท่านยะมกท่านเห็นอย่างไรเอาละครับทีนี้ พอไล่เลียงกันมากเข้ามากเข้าโอ้จึงได้สํานึกครับคือท่านได้บรรลุตอนที่พระสารีบุตรมาช่วยต่อซักไซท่านจึงไม่กล่าวว่าพระนิพพานพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ครับท่านบอกแต่ว่าขันห้าคือขันรนูปนามขันห้าดับไปแล้วครับถ้าพระนิพพานศูนย์ท่านจะทักทวงกันทําไมครับนี่ถ้ามันถ้ามันไม่ศูนแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเห็นได้หรือเปล่าพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ได้ไหม ถ้ามันไม่สูญมันก็ต้องพิสูจน์ได้สิครับแต่การพิสูจน์นั้นต้องให้ได้ตามขั้นตอนนะครับไม่มีวิชาไหนที่ชัดเจนครับผมว่านะครับแต่อาจจะมีอย่างอื่นที่ท่านปฏิบัติทั้งสมาธและวิปัสสนาคู่กันครับเห็นชัดเจนก็มีครับแต่หลวงพ่อวัดบางน้ําเห็นชัดเจนนี่แหละครับที่หลวงพ่อวัดบางน้ำบอกว่าที่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่ของท่าน คนพบตรงศูนย์กลางกายในคัมภีร์ไม่มีบอกมีแต่ว่าในคัมภีร์นั้นมีว่าตถาคตคือธรรมกายเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วโดยสองคืออุบัติโดยรูปกายคือประสูติจากพระคันมัรดาอุบัติโดยธรรมกายคือในคืนวันเพ็ญกลางเดือนหคือตรัสรู้แล้วก็มีพระเถระองค์อื่นๆพระเถรีอื่นๆกล่าวถึงธรรมกายแต่แนวปฏิบัติที่เข้าไปเห็นตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายมันไม่มีครับ นี่แหละจึงบอกว่าหลวงพ่อวัดปวนาค้นพระวิชาธรรมกายแล้วทําไมจะบอกว่า500ร้ปีน่นหายไป500ร้ปีไม่ใช่ทำรร ม, มาของพระพุทธเจ้าหายแนวปฏิบัติตองศูนย์กลางกายวิธีเข้าตรงนี้มันไม่มีสอนแต่ในช่วงระยะหลังจากพระพุทธเจ้าปฏิญพานไปแล้วได้ห0ารปีในช่วงนั้นพระอาหารหันอภิญญายังมีอยู่เยอะครับเลยเชื่อกันว่าในช่วงนั้นวิชาธรรมกายน่าจะยังมีอยู่แต่หลังจากนั้นมานี่พระอภินยาหายไปหายไปหายไป วิชาธรรมกายน่าจะเสื่อมจับตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาจึงหลวงพ่อวัดปอน้ำเมื่อมาค้นพบตรงจุดศูนย์กลางกายขึ้นมาแล้วนอนอเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ลูกศิษย์ต่อมาจึงบอกว่าเนี่ยวิชาธรรมกายได้หายไปห้าร้อปีหลวงพ่อวัดปอน้ำค้นพบขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่หลวงพ่อตั้งตัวเองเป็นลัทธิเป็นเจ้าลัทธิมันธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ค้นพบตรงศูนย์กลางกายนี้เท่านั้นเอง กิเลสตันหาประธานที่เห็นในวิชาธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกหมดแล้วครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วอีกอย่างผู้ที่ปฏิบัติจเจริญวิปัสสนาล้วนๆ น, นะครับโดยมากที่บอกว่าจเจริญวิปัสสนาเป็นอรหันต์ประเภทสุขขวิปัสโกจะไม่มีการระลึกชาติได้ก็ไม่มีตาทิพูทิพก็ไม่มีครับมีอย่างเดียวพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์มีหลายประเภทครับสุขขวิปัสโกน้องน้อยที่สุดครับ วิดโชนี่ก็ดีขึ้นมาหน่อยครับชะละพินโยอภิญยาหกครับจนถึงปฏิสัมพิธาแต่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั่นนะครับพระพุทธเจ้ามีญาณทัศนะรู้กว้างกว้างไกลกว่ารองลงมาก็คือพระอัครส า, าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวารองลงมาอีกก็มีคุณธรรมอื่นๆลงมาอีกปกติสาวกก็ด้วยน้อยลงมาหน่อยแต่ปกติแล้วท่านจะรลลึกชาติได้ตาทิพย์ิท่านมีเพราะว่าท่านได้อภิญยาได้วิชยาสาม แต่น้องน้อยที่สุดเลยคือเป็นอรหันต์เหมือนกันเหมือนพระจักกุบาลเนี่ยครับท่านพระ จ, ก จ, จักกุบาลเจริญวิปั ส, สนาบรร ล, ลุเหมือนกันครับเป็นอรหันต์แต่เวลาเลือกชาติไม่ได้พระอรหันต์จะมีกันเหมือนกันสามีเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องมีอาสวัคขยายานเหมือนกันครับอยู่ตัวปปารตยานอาจจะไม่มีที่พระจกักกุญานหรืออุเพนิวาสานุสติยานบางท่านอาจจะไม่มีอยู่ตัปปารตยานอาจจะไม่มีแต่พระอรหันต์เหมือนกันก็คืออาสวัคขยยานนี้ต้องมี ฉะนั้นการรู้การเห็นจึงไม่เหมือนกันครับตัวเองเป็นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าท่านเป็นสุขขาวิปัสสโกท่านไม่กล้าที่จะไปวิจารณ์การรู้การเห็นของพระอาหารที่เป็นอภิญญาหรอกครับในการสังขารนาครั้งที่หนึ่งพระมหาคสปะเลือกพระ500รอรูปสังขารนาที่ถ้ำสุกรัตถ์ถ้ำภูเขาเวพาระพันพศนะครับเขาชิกูดเลือกพระอาหารห้าอองค์ครับเอาเฉพาะที่ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปครับ นอกนั้นสุขวิปัสสโกถอยลงมาอนนาคามีจนถึงโสดาบันแม้จะเก่งปริยัติจำพระพุทธพจน์ได้มากขนาดไหนไม่เอาครับอันนี้อยู่ในคำภีสมันตบปาสาิกาหรือในพระไตรปิฎกที่ท่านเล่าเรื่องของวิปของการสังขายนาไปอ่านนะครับพระมหาการสปัคัดเลือกมากมากเลยครับทำไมคัดเลือกอย่างนั้นครับกลัวพระธรรมวินัยจะคลาดเคลื่อนครับกลัวว่า ถ้าเอาพระโสดาบันถ้าอาพระโดาบันหรืส ก, กัดตาคามีไปหรือแม้แต่เอารอราหารันต์ประเภทสุขวิปัสสโกไปยานะัศนะบางสิ่งบางอย่างท่านไม่รู้ครับแต่ท่านรู้เหมือนกันก็คือว่าละกินเลตเหมือนกันนี่ครับเป็นเหตุว่าพระมหาคัตปาท่านจึงตัดเอาเฉพาะว่าผู้ที่ได้อภิญญาขึ้นไปจึงพากัน ร, รักษาพระธรรมวินัยนี่เหมือนดวงแก้วครับไม่ให้แตก ประคองกันมาเนียครับสืบทอดกันมามีเหตุการณ์แต่ละคราวสังคายนาการมาเรื่อยสังขารสังเขายนาการมาเรื่อยจนครั้งที่สเห็นว่าพระหันทั้งหลายคนทั้งหลายความจําชักจะเอะเหลือนเมื่อก่อนว่ากันปากต่อปากท่องกันมานะครับแบ่งกันท่องเอาองค์นี้ท่องพระสูตรองค์นี้ท่องทีคันกายท่องอะไรอะไรแล้วมาว่ารวมกันเวลาจะสังคารนามาว่าจํากันไว้ครับบอกกันต่อต่อกันมาแต่ตอนหลังๆคนความจํามันเสื่อมกลัวว่ามันจะไม่มีใครท่องอีกแล้วไม่มีใครสืบอยากระนั้นเลยจารึกเป็นอักษรครับ เป็นคัมภีครับนั่นแหละครับเขาเรียกว่าใบาลานมาสมัยก่อนไม่มีกระดาษตัดใบาลานมาตัดตัดใบาลานมาแล้วก็จานใช้เหล็กจานเขียนครับพระพุทธเจ้าตัดไว้ยังไเขียนเขียนขียนสังขารยานาครั้งที่สมพระเจ้าอาโศกจึงได้ส่งพระสงฆ์สาวกแบ่งออกเป็นเก้าสายท่านระลึกชาติระลึกถอยหลังเอาว่าอนาคตขตังสยานพระาราหัตทั้งหลายว่าต่อไปาศาสนาในอินเดียจะเสื่อมแล้วจ ะ, จะเจริญในปัจจันตประเทศ เมื่อเห็นอนาคตอย่างนั้นเข้าก็เลยเอา้าถ้าอย่างนั้นส่งพระศาสนาส่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายออกไปเผยแพ่พระศาสนาย่งต่างจังหวัดต่างประเทศรอบออกไปให้ไกลออกไปแบ่งเป็นเก้าสายครับมาที่ลังกามาที่สุวรรณภูมิของเราเราได้ทราบว่าพระโสนนอุตรมาแล้วก็เจดีนครปฐมก็คือเป็นเมืองที่พระโสนนอุตรท่านมาประกาศพระศาสนาที่แรกได้ค้นพบ ศีลาจารึกเลือกอักษรจารึกในศีลาจารึกอักษรเยธรมมาเหตุตุบปภาวาเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาติมหาสมโนเป็นหัวใจของพระศาสนาที่พระอัศจรรตรัส ก, กับอุปติสสะมานพหรือภาษาดิบุตรแปลว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธทำเหล่านั้นและความดับของมันสรุปก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดลอยๆไม่ได้ต้องมีเหตุจะดับ จะดับผลของมันก็ต้องดับที่เหตุแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนี่นะครับหัวใจของพระศาสนาเป็นอักษรอยู่เป็นอักษรของเก่าสับอักษรอันนั้นเขาเทียบกันได้กับอักษรของพระเจ้าสมัยพระเจ้าอโศกครับที่วัดพระประถมเจดีย์ซึ่งทางวัดได้เก็บไว้ในดูเหมือนว่าจะเป็นอุโบสถหลังเก่าหรือไงนี่นะครับมีครับนั่นแหละครับศาสนาจริงค่อยๆแพร่ขยายออกมาครับพระคุณท่านทั้งหลาย นี่กระผมเนื้อมาได้เล่าเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเกี่ยวกับพระศาสนามามีจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่ว่าของจริงในพระศาสนานั้นไม่ควรที่จะมองผานผ่านควรจะให้ความเป็นธรรมและศึกษาทุกท่านมาปฏิบัติธรรมนะครับโดยเฉพาะอาจารย์มหาเสริมชัยหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยหรือท่านกำลังจะได้เลื่อนเป็นท่านจะคุณพระภาวนาวิสุธทธิคุณในวันพรุ่งนี้เนี่ย มีจุดมุ่งหมายที่จะเผยแผ่ให้ท่านอยู่แล้วไม่ห่วงไว้เลยครับวิชาทํามกายของหลวงปู่พัดปักน้ํทาทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องสูงมาศึกษาดูเถอะครับถ้าท่านปฏิบัติจนหมดถามครูบ า, าจารมีเท่านี้หรือวิชาทํากายถามถามครูบาอาจารย์เขานะครับถ้าครูบาอาจารย์บอกว่ามีเท่านี้แหละครับท่านหมดแล้วพอตรงนี้จบแล้วนี่ครับเอาเลยครับท่านจะด่าวิชาธรรกายอย่างไรก็ด่าเลยครับโอ้ยมันไม่ถูกต้องอย่างเนี้วิชาธรรมกายที่ เอาเรียนกันมาเนี่ยผมก็ปฏิบัติได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันผิดตรงนี้ชี้เลยครับสอนหน่อยครับมีเมตตาสอนหน่อยครับเห็นว่ามันผิดตรงไหนสอนท่านหน่อยครับแต่ถ้ายังไม่ปฏิบัติเลยปฏิบัติยังไม่ถึงเลยไม่ได้เลยอย่าครับถ้าวิชาธรรมกายเป็นของจริงในพระาศาสนามันจะบาปครับแทนที่เราว่าจะปกป้องพระาศาสนาแทนว่าโอ้วิชาธรรมกายเป็นนอกนีดมันไม่มันไม่ถูกต้องด่ามันต้องกระจัดออกไป ถ้าวิชาธรรมกายเป็นของจริงในพระศ า, าสนาแทนทีเน่เป็นการสืบทอดกลับทําลายพระศาสนาครับตัวท่านเองนั่แหละครับนี่เองเป็นแรงบันดาลใจผมอย่างยิ่งเราโอ้สงสารอย่างนี้นคนเรานอยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยวิชามายธรม ร, ธรมกายของจริงกว่าพระพุทธเจ้านี่ของจริงแท้ๆนะเนี่ยนะรู้เห็นเป็นของจริงนี่ทําไมต้องดูถูกอย่างนั้นแต่ละคนที่พูดออกมานะไม่ได้ไม่ถูกไม่ได้พูดถูกจุดของวิชาธรรมกายครับพูดอยู่ข้างๆโกูกคร ไปอ่านอ่า น, านดูเถอะครับหรือฟังฟังดูครับดังนั้นถ้าอยากจะรู้เรื่องวิชาทำการให้ดีนิมนต์ครับตั้งใจปฏิบัติให้ดีครับผมใช้เวลามานานพอสมควรครับคุณท่านทั้งหลายชีวิตของเราไม่ทราบว่าจะเหลืออยู่สักเท่าไหร่ครับผมเองก็อายุก็ามากพอสมควรแล้วผมตั้งใจไว้ว่าชีวิตนี้ถ้ายังอยู่ความตั้งใจนี้ยังอยู่ผมตั้งใจว่าจะเป็น คนหนึ่งแหะครับที่พยายามที่จะอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนาก่อนที่ชีวิตจะหมดสิ้นไปไม่นานหรอกครับไม่เกินร้อยปีไม่เกินเจ็ดสิบแปดสิบปีเดี๋ยวนี้เราก็แก่กันแล้วชีวิตอย่างน้อยปฏิบัตินะครับได้ที่พึ่งข้างในด้วยรู้เห็นของจริงเมื่อเห็นของจริงแล้วสิ่งไหนถูกต้องช่วยพระศาสนาหน่อยครับยุคนี้เป็นยุคของพวกเราที่จะต้องสืบต่ออายุพระศาสนาถ้าหากเราเพิกเฉยแล้วใครละครับ จะช่วยทำพระศาสนาของเราให้แจ่มแจ้งขึ้นมาถูกต้องขึ้นมาของที่ไม่ดีไม่จริงนั้นเราจะต้องช่วยกันขจัดออกไปครับแต่ถ้าสิ่งใดดีสิ่งใดถูกต้องเราช่วยกันเชิดชูครับพระพุทธเจ้านิพพานแล้วฝากพระศาสนาไว้ที่พวกเราครับผมได้กล่าวอะไรมาถ้าหากว่าพระคุณท่านทั้งหลายน้องเนนสาธุชนทุกท่าน ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านเกิดความเศร้าหมองใจกระผมไม่มีเจตนาอย่างนั้นกระผมขออโหสิทธุทุกท่านโปรดให้อภัยผมด้วยครับแต่เจตนาของผมเพื่อจะพูดความจริงเท่าที่ผมพอทราบหากเป็นบุญกุศลอยู่บ้านผมขออุทิศบุญกุศลถวายบูชาแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บุรพาจารย์ที่สือบอายุพระศาสนามาจงปู่วัดปักน้ำครูบาอาจารย์ทุกท่านและบิดามารดาผู้มีพระคุณญาติโยมที่มีพระคุณทุกท่านและทุกท่านที่นั่งอยู่นาที่นี้ด้วยครับคอให้ได้บุญได้กุศลด้วยกันขอทุกท่านจงผู้ที่เป็นผู้ที่คิดถูกทำถูกพูดถูกแนะนำผู้อื่นแต่ในทางที่ถูกขอให้เจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าจนกว่าจะบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพาน ที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวทุกท่านทุกคนเธอสาธุชนก็ได้รับฟังธรรมบัญญายเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวิชาธรรมกายจากประเด็จพระคุณอาจารย์พระมหาอานุทพลเศรษฐธรรมโมเปรเรียนธรรม9ประโยคจากวัสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพซึ่งก็คิดว่าสาธุชนก็คงจะ รับรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวิชาธรรมกายซึ่งอิงในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาซึ่งอาตมา ก, ก็จะขอยกเอาที่มีมาในพระไตรปิฎกที่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องธรรมกายว่ามีความว่าอย่างไรซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับบาลีสยามรัฐเล่มที่11ที่คณิกายปาฏิกวัคร ข้อที่ห5หน้าที่92ความว่าพระพุทธ ร, หรํหลัดได้ตรัสแก่สามเณรวาเสตทะและภารัทวาชะพระพุทธองค์ทรงเป็นธรรมกายดังนี้ดูกระวาเสตทะและภารัทวาชะก็ผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรต ประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพลมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกไม่พลากไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรที่เกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตขึ้นเป็นผู้รับมรดกของพระธรรม ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าคำว่าธรรมกายก็ดีว่าโพรมกายก็ดีว่าธรรมพูดก็ดีว่าโพรมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนี้พระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นธรรมกายเพราะคำว่าอังธรรมกายโยอิติปินั้นก็แปลว่าพระองค์เป็นธรรมกายส่วนพระอรหันต์ทั้งหลาย ท่านต่างแสดงว่าพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ล้วนเป็นธรรมกายทั้งสิ้นโดยที่ปรากฏในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่26ขุทธกานิกายเถระคาถาข้อที่สามร้หน้าที่ส3 4สความว่าพระอระหันต์ทั้งหลายต่างแสดงในที่มากแห่งว่า พระพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าเป็นธรรมกายทั้งนั้นดังเช่นท่านพระสรพังคะเถระว่าไว้ดังนี้อัตมาจะขอกล่าวเฉพาะภาษาไทยเมื่อก่อนเราผู้ชื่อว่าสรพังคะไม่เคยเห็นโรคคืออุปทานในขันห้าได้ครบบริบูรณ์สิ้นเชิงโรคนั้นอันเราพูดทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ได้เห็นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระสิขีพระเวชสภูพระกกุสันโธพระโกนาคมาณะพระกัตสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็เสด็จไปแล้วโดยทางนั้นพระพุทธเจ้าทั้งเจดพระองค์นี้ทรงปราศจากตัณหาไม่ทรงถือมั่น ทรงยางถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัตแท้โดยธรรมกายผู้คงที่ทรงเอนดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจส์่อันได้แก่ทุกเหตุเกิดทุกความดับทุก์และทางเป็นที่สิ้นทุก์เป็นไปแห่งการไม่มีทุกทั้งปวงอันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตก เพราะความสิ้นไปแห่งชีวิตการเกิดใหม่ในภพอื่นย่อมไม่มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพพกิเลสและภพทั้งปวงนี้ก็ปรากฏที่พระเถระท่านได้แสดงไว้ในเถระาาคาถาขุทกนิกายซึ่งอาตมาได้ยกมาให้สาธุชนได้ทราบแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตะขีนาศ หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าต่างแสดงว่าพระองค์เป็นธรรมกายฉะนั้นสาธุชนผู้ติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการธรรมสู่สันตทิที่นํามาเสนอสู่ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำจงมั่นใจในธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายที่นําเสนออยู่ว่าไม่ผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน แต่ท่านผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับวิชาธรรมกายส่วนใหญ่ก็จะวิจารณ์ไปแต่ตามตัวหนังสือและไม่ได้ลงมือปฏิบัติทำตามแนววิชาธรรมกายจึงวิจารณ์แบบผิดผิดถูกถูกแต่ส่วนใหญ่จะวิจารณ์ผิดซะโดยมากวันนี้อาตมาก็ได้นำหลักฐานในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับธรรมกายซึ่งมีปรากฏอยู่มากแห่งนะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้แต่ อาตมายกมาให้สาธุชนได้มั่นใจว่ามีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในหลักธรรมคำสอนที่เรายึดถือว่าเป็นคัมภีร์อันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนวันนี้ทางรายการก็นำมาฝากท่านสาธุชนก่อนที่จะจากกันขอเชิญท่านผู้ฟังทำใจให้สงบสักครู่ด้วยการตรึกนึกถึงดวงแก้วคมใสภาวนาว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรังที่ศูนย์กลางกายของเราทำใจให้สงบแล้วก็เจริญภาวนาธรรมสักนิดหนึ่งพอถึงเวลาอันเหมาะสมก็ค่อยแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายสำหรับรายการธรรมะส่สันติในวันนี้ก็นำสารธรรมมาฝากท่านสาธุชนขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตาม รับฟังธรรมะจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร